ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายแต่ลมพระโพธิยานกำลังนำเสนอพุทธอุทานในข้อที่ทสรงแสดงว่าบุคคลใดมีบาปธรรมอันลอยเส็แล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขูดผู้อื่นบังคือคึอไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดมีตนสมรวมแล้ว ถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์นั้นไม่มีกิเลสเครื่องผูกขึ้นในร่มในไหนในโลกคนกล่าวถ้อยคำว่าตนเป็นพราหมโดยธรรมก่อนได้พูดมาถึงประเด็นที่เรียกว่ามีตนสำรวมแล้วคือโดยสถานะเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าและพระหัตถงหลายก็หมายความว่าเป็นคุณธรรมระดับที่สมบูรณ์ แต่ในการมองนั้นก็มองด้ดับลดหลั่นลงมาด้วยตัวทรงสแสดงเป็นรูปในหลักการประพฤติปฏิบัติจนความมีตนสารวมแล้วเนี่ยก็เป็นผลก็ได้นะเป็นอาการก็ได้แล้วก็เป็นเหตุก็ได้คือพยายามสารวมระวังแเ้วเห็นอาการของผู้สารวมระวัง และสมมวมระวังจนเป็นปกติก็เป็นความต่อเนื่องกันในด้านการปฏิบัติตามหลักของการสรมมทั้งห้าประการคำว่าถึงที่สุดแห่งเวทเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์อาจจะถึงฟังแห่งเวทถึงที่สุดแห่งเวทก็หมายความว่าพราหมณ์คนใดก็ตามที่ศึกษา แตกฉานในใจเพศในเวททางกษาตร์ในอิติหาส s ในรลายๆทางต่างวิธีกรรมเเยอะนะครับก็ที่จริงถ้าเขาเรียนจริงก็ไม่ใช่ธรร ม, รมดามนความรู้ที่แตกฉานแต่ว่ายังมีอาการของโมหะอยู่เยอะทีนี้ถ้าเหล่านั้นนะก็ถือว่าถึงที่สุดแห่งเวทว่ถึงที่สุดแห่งเวทในความหมายเดิมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีความบริสุทธ แต่เขาเข้าใจเอาเองว่าเขาบริสุทธิ์พอถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะฮะบางทีก็หลงได้นะอย่างในบางยุบบางสมัยพวกพรเราบางพวกมีความเข้าใจว่าถ้าจบไปางานเปรียนเก้าประโยคแล้วก็ถือว่าเอกอุมันก็สุดยอดของคนแล้วซึ่งควา่จริงก็ไม่ใช่เช่นนั้น มันแต่บอกว่าเพียงมีเครื่องมือในการศึกษาคนา้นคว้าประพฤติปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแต่นั้นเด็กแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครทัดเทียมอีกแล้วคือเหนือกว่าคนอื่นแล้วถ้าคิดอย่างนั้นก็เกิดเป็นอหังการหรือเพิ่งกิเลส ข, ขึ้นมาเพราะในความที่สุดแต่งเวทเนี่ยทําให้พราหมเขาหลงทางได้เพราะเข้าใจว่าเสร็จกิจแล้วคือไม่ต้องศึกษาไม่ต้องคน้นคว้าไม่ต้องทบทวนไม่ต้องประพฤติปฏิบัติ ะแต่เปลี่ยนลักษณะนิสัยอะไรคนตนอีกต่อไปแล้วก็ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยครมันก็เหมือนกับคนที่เดินทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเข้าใจว่าตัวเองถึงมันก็ไม่ถึงจะทํำยังไงก็ไม่ถึงแต่ภาษาตรงนี้มันสื่อสารได้นะฮรสื่อสารแล้วสําหรับคนที่หนักอยู่ในธรรมเนียมพราหมณ์เนี่ยก็นึกภาพได้แล้วก็ขยายต่อได้ พันธะมาถึงฝั่งแห่งเวทของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคือบรรลุอาสวัคยานก็ถึงฝั่งของพระนิพพานนั้นพิที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์นั่นเองแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เน้นที่ปัญญาอย่างเดียวแต่เน้นที่บริสุทธิ์แล้วก็เน้นที่กรุณาด้วยแต่ของพราหมณ์นั้นเน้นที่ปัญญาและบางครั้งมันกลายเป็น ยิชปัญญาคือปัญญาคิดปัญญาเพิ่มสูงขึ้นแต่อัตตาโตขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกควยฟ้าปราถนามากยิ่งขึ้นเมื่อกรร่อนูข่าวควางสุภาพตรีท่านหนึ่งท่านสัมภาษณ์รู้สึกเป็นตำแหน่งเลขาอภิการอะไรนะได้ขอถามว่าจะมีคนเชิญให้ท่านไป รับผิดชอบงานอีกหน่วยงานหนึ่งอะไรก็ไม่จำกไไัดตอบเก่งตอบหน้าทึ่งมากเลยบอกว่าดิฉันนินว่าคนอายุห้าสิบหกเนี่ยควรจะพักไดแ้แล้วก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตชาวบ้านเนี่ยก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กแต่เด็กแต่น้อยนะแต่พระบางทีในหกสิบยังไม่ได้งาน ยังไม่ได้งานเป็นเป็นหลักเป็นฐานอะไรเลยที่จะรับใช้ศาสนาผมก็ทำงานยิ่งแก่ยิ่งต้องทำงานเพราะงานมันจะมาตอนแก่ๆนะฮะเกือบตายแล้วไม่มีแรงจะทำงานแล้วงานมันจะมาตำแหน่งหน้าที่การงานมากันเป็นแถวเลยแต่ตอนเรามีเที่ยแรงมีสติปัญญามีความสามารถมีความตั้งใจจะทำงานนั้นท่านไม่มีงานให้เราทำอะวันนึกว่าเออมันโลกมันก็แปลก ทำไมอะปริมาณคนข้างนอกเนี่ยมันท่วมท้นนะครับปริมาณคนข้างในเนี่ยตำแหน่งงานมันไม่มากบางคนก็ท่วมท้นเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเพิ่งเริ่มทำงานกันตอนแก่แล้วในขณะที่ชาวบ้านเริ่มกเกษียณกันเนี่ยพวกเรายังไม่มีงานกันเลยนะครับบางรูปเนี่ยยังไม่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรกันเลย ก็เป็นโครงสร้างสังคมที่ดูแล้วก็กระจุงกระจิมน้าอินดูดีเกันแต่ความรู้สึกเหล่านี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะรู้จักพอรู้จักจุดรู้จักวางรู้จักปล่อยหรือไม่คว้าคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมากเกินไปแค่นั้นก็คือมีธรรม ะ, ะก็ปฏิบัติธรรมะและ้วเขก็มีธรรมะก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบอะไร ที่ไอถึงที่สุดแห่งเวทแล้วก็มีพรอมจรรย์ดูจบแล้วนี่ทิ้งไขความซึ่งกันอะกันไอ้ตัวเนื้อหาสาระนะตัวเนื้อหาสาระที่จะทำให้ไม่ตวาดผู้อื่นว่าคือคือไม่มีกิเลสดูดน้ำฝาดมีตนสมบรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทมาจากจบพรหมจรรย์แล้า น, นั้นก็เป็นการสะท้อนลักษณะของท่านที่ อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเมื่อจบพรหมจรรย์แล้วเนี่ยต่อไปก็เหมือนกันจะเป็นอาการอาการของท่านที่เข้าถึงจุดซึ่งเรียกว่าจบพรหมจรรย์ก็ในวันนี้ก็อยากจะนำเสนอข้อคำว่าข้อพรหมจรรย์พรหมจรรย์เนี่ยแปลว่าการประพฤติประเสริฐประพฤติอย่างพรหมหรือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐ เดิมทีเดียวนะฮะเน้นเรื่องการไม่มีเพศสัมพันธ์คนประพฤติพรหมจรรย์ผู้หญิงประพฤติปรหมจรรย์ก็คือไม่มีครอบครัวผู้ชายประพฤติปรหมจรรย์ก็คือการไม่มีครอบครัวก็เรียกว่าสำรอกความกำนัดความพอใจในทางเพศซึ่งก็ทึกกยังนึกถึงยุคสมัยของของอินเดียนะฮะมันมีการมาสูตร กรารมาสูตรของพราหมณ์นั้นยังไม่เคยอ่านนะครแต่ว่าเคยได้พบคนเขาสรุปไปฟังว่ามันเป็นเรื่องเน้นเรื่องเพศโดยเฉพาะเลยของพระเจ้าก็มีกรารมาสูตรว่าเสพิสดารเหมือนกันแต่แสดงถึงกรารมาทีนกคือโทษของกรารพราหมณก็มีกรารมาสูตรเราก็มีกรารมาสูตรแต่พูดกันคนละมุมแล้วก็พูดถึงวัตถุดเดียวกันนั่นแหละคือโนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมรมนั่นแหละเดี๋ยวพูดกันคนละมุม มันก็ทำให้เห็นดึงว่างานมาแล้วตอนนั้นยังเป็นนักศึกษามีหนังสืองานศพเล่มหนึ่งวางเอาไว้แต่มีคนบอกไม่ได้อ่านอนะืรท่านอ่านท่านบอกว่าดูหนังสือเล่มเนี้พนาความดีงามของการมาคุณความสุขอะไรจากการมีคู่ครองพูดในอีกมุมเลยที่ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ผิดหรอก เพราเป็นการมองในระดับนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นรูปศาสนาเองก็เรียกว่ากามมาคุณกรรมาคุณก็คือคุณของกรรมคุณะอาจจะแปลว่ากลุ่มก็ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้แปลว่าคุณของกรรมมันก็เป็นโทษของกรรมอยู่ด้วยทีระว่ังคุณกับโทษเนี่ยอะไรมันมากกว่าพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าอัิชาตาดุกขากามมาอิติวิญญาจปันดิตโตปัณฑิตพิจนาเห็นว่ากามนี้มีคุณน้อยแต่มีโทษมาก ไม่จะปฏิเสธเลยนะทีนี้ถ้าคนละเลยในส่วนที่เป็นโทษไม่ใส่ใจในส่วนที่เป็นโทษก็มองในแง่คุณมากกวเป็นคุณนะแต่ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตนั้นสูญเสียไปเรื่องกามเป็นเหตุกามเป็นข่าวมูลเก่ากามเป็นตัวกระตุนนะ้นในเกิดขึ้นในมันเยอะแล้วเกินแต่แล้วแต่ใครจะมองธรรมาเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงก็เหมือนกันนะบางทีถ้าคนไม่พร้อมที่จะฟัง พอใจเขายังไปไม่ถึงก็ไม่ส่งแสดงการมัททีนกคือโทษของการเขาส่งแสดงเฉพาะเรื่องฐานเรื่องศีลไปตามที่เขาสามารถที่จะพิจารณาเห็นตามแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามได้ทีนี้กรอบอคําคว่าพมอาจรรย์นเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับบันไดคือไต่ขึ้นไปเรื่ อ, อ, อยๆไอ้จิตใจมันมีความประนีตอาการทางกายทางวาาิชาทางใจมีความสงบประณีขึ้นไปโดยลําดับ ใครทําได้มากน้อยแค่ไหนถึงไรก็ก็ดีอ่ะนะเราก็คงไม่ถึงอยู่จบพรหมจันทร์หรอกแต่ว่ามันอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามอย่างน้อยก็พรหมจัรย์ระดับศีลธรรมจัญญาคนพรหมจันทร์ท่านจริงจําแนกแสดงไว้ถึงสิทก็ถือว่าสิท ร, ระดับนะฮะมันเป็นความเปน็นณีต ลักษณะของหยาบกลางประณี้อยู่ในตัวและในแต่ละข้อนี่มีความหยาบกลางปนณี้อยู่โดยในตัวของเขาข้อที่หนึ่งก็คือทานเนี่ยการสละให้ปันให้เราสังเกตว่าการสละให้ปันนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติที่เรามีกันอยู่ประจําวันอยู่แล้วใชเรากินอาหารก็ตักแบ่งกันให้มีการเรียกกันมาแล้วประทานอาหารมีอะไร พอแบ่งกันได้ก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยอะไนี้นก็มีลักษณะเป็นพื้นฐานของสังคมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้วปกราะคนภายในสังคมนั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบางใครมีอะไรพอจะสงเคราะห์นุเคราะห์กันได้ก็ทํากันไปแนวของทานจึงมาย่อยออกย่อยออกเป็นแบบอนุเคราะห์คือแสดงความมีน้ําใจต่อ ก, กัน ตางคนต่างมีนะต่างคนต่างมีไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไม่มีแต่ว่าที่จริงก็ต่างคนต่างมีจะแสดงความรักให้ปูกพันต่อกันเช่นว่ากินอาหารร่วมกันร่วมโตเดียวกันก็ช่วยกันจ่ายอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหนักนั่นก็เป็นแนวของการนุเคราะห์ทีศแนวหนึ่งเป็นการสงเคราะห์เพื่อนก็อาจจะขาดแคลนไม่มีสตางค์เสื้อหารเราก็เสื้อหันเลี้ยงเลย หรือคนเขาขัดสนยากจนนาถาเราพอจะสงเคราะห์ก็ได้เราก็สงเคราะห์อันนี้ก็เป็นทานเป็นทานที่เกิดจากความเมตตาสงสารแต่เราสังเกตว่าความเมตตาสงสารจะเด่นแต่ทานประเด็นแรกในความเป็นมิตรจะเด่นพอมาถึงระดับหนึ่งความศรัทธาความเคารพความนับถือความภักดีนี่จะเด่น นั่นก็คือการบูชาคุณความดีของบุคคลที่ควรแก่การบูชาเกิดจะเป็นทานตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าข้าจัดทั้งโลภะโทสะโมหะนั่นแหละเกิดจะเน้นหนักไปที่โลภะกับท่โทสะในขณะเดียวกันก็ทรงสอนทานที่มันประณีตขึ้นไป เพราะว่าจะเน้นที่ตัววัตถุอะไรมากเกินไปก็มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นเช่นเราสอนคนจนให้ทานนั้นมันนอกเรื่องนะคือคนจนต้องสอนเขาเรื่องอื่นเรื่องนี้เขาทำได้มันถ้าเราไปดูในบระวณในในสิกขาบทที่เรียกว่าปฏิเทศนิยมมีอยู่ข้อหนึ่งก็ ทรงบัญญัติทาไม้พระเข้าไปบินธบาตในบ้านของพระเสขบุคคลก็คือพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระราคามีนะที่มีฐานะยากจนแม้ข้าไปบินธบาตเพราะถ้าบินธบตัตแล้วท่านมีกินหรือไม่มีกินไม่รู้ท่างก็ทำบุญท่านก็ตักบาทท่านดีใจที่ได้พบพระ มันก็เพื่อป้องกันแม้ท่านเดือดร้อนพระเจ้าก็บัญญัติเอาไว้ไม่ให้พระเข้าไปบิณฑบาตในสถานที่นั้นเป็นรายอป็นวัยแต่เขานิ่งบนไปต้องรักษาศรัทธาเขาเดี๋ยวเขานิ่งบนรับไปจําเขาอยู่ในมิสัยที่จะตักได้วลรชีองไงเนี่ยก็ต้องไปสงเคราะห์เขาเป็นการปฏิบัติเพื่อความสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายในแนวหนึ่นงก็ออกมาในรูปของแนวอภิษฐาน ไม่ถือสาความไม่โกรธไม่เคืองไม่อาฆาตปยาบาทกันไม่จองเวรจองล่างจองผ่านกันก็ไม่ต้องทำอะไรนะแก้ปัญหาที่ใจตัวเองตัวการต่อไปก็เป็นธรรมทานคือการบอกกล่าวการชี้แนะกันให้เหตุผลการที่ถูกชี้ผิดได้แก่กันและกันคือยังนึกถึงสื่อของเราเนี่ยนะครับ คือาะเราที่จริงถ้าคนที่ควบคุมสื่อมีความคิดในเชิงสร้างสารรค์ไม่มุ่งเน้นบันเทิงไม่มุ่งเน้นเรื่องสนุกโคลฆามากเกินไปไม่รุ่งเน้นการดั้วยุให้เกิดความกำนัดความต้องการในทางเพศมากเกินไปเนี่ยสื่อนี่มีส่วนช่วยเยอะนะคือสร้างสารรค์พัฒนาแต่ว่า ไอ้ความบังควรหรือไม่บังควรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเวลานี้เราลองนึกดูว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นปัญหาระดับโลกไปเช่นรงองนายกคนหนึ่งคุมในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ตัวเองเปิดโทรทัศน์ไม่เป็นแล้วก็ออกไป สัมภาษณ์ออกทางโทรทัศน์ไปเอพตีข่าวไปทั่วโลกเลยคือว่ากระามความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้คุมในด้านเทคนิคเราคุมในด้านแผนด้านด้านนโยบายแต่นั้นเองในการจะทำยังไงเป็นเรื่องของของคนเจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคปฏิบัติคือจะยอมรับในกฎเกณฑ์ความจริงก็ได้แต่ว่ามนุษย์มันช่องหาจ้องหาโทษ ก็หาโทษของคนอื่นกเห็นทางที่จะกระตืบซ้ำคนอื่นได้ก็กระตืบออกไปแเพราะไั้นสื่อบางสื่อเนี่ยมันนึกถึงความบังควรหรือไม่บังควรบางทีก็พูดไปสองใยเดืดนึ่งเสียตะเมืองทองเนที่เขาพูดกันเพราะแ น, น่ตัวนี้ที่จริงมันเป็นพรหมจันท์เป็นการใช้ชีวิตที่เปิดเิย แระการต่อมาแปลว่าเยวิยาวัจจะไมอันนี้พวกนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะคือคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้อบมารีพร้อมที่จะบริการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื Ai ่นเห็นคนแก่ท่ามถนนเห็นตาบอดขำถนนเล่นเด็กขำถนนก็ช่วยเหลือเห็นคนประสบภัยประสบอันตรายก็เข้าช่วยเหลือ เต็นก็ถือของหนักก็ช่วยถือให้เขาอะลรแต่อะไร ง, ง่ายๆนะทําง่ายๆแสดงความมีน้ำใจนะไปในวัดเต็นวัดโร ก, ก็หฝีไม้กวาดวางก็ช่วยจับไม้กวาดขึ้นมากวาดแหง ก, ก็ง่ายๆอ่ะนะเดินบนถนนเต็นเศษแกะเศษกระจ ก, จ ก, จกทิ้งอยู่ข้างถนนก็หยิบไปใส่ถังอยะเสียกลัวว่าจะเป็นอันตรายแก่คนที่เดินมา พจวิ ย, ยาวยจใหม่เนี่ยที่จริงมันเป็นการแสดงว่าคนคนหนึ่งที่มีน้ําใจมีน้ําใจโอ้อบมารีเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่พร้อมที่จะบริการสังคมหรือให้ความแก่สังคมเหนือตนเองช่เหลือก็อกูลกับบุคคลทั้งหลายพวกนี้ไม่แต่ไม่จำเป็นเราต้องมีเงินมีทองอะไรมีน้ำใจอะฮะคือที่จริงพรมอาจารย์นเนี่ยมันเรื่องน้ําใจ แต่บางคนมกักจะพูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรวยไม่รวยเรื่องเศรษฐกิจดีไม่ดีนะฮะเรื่องการเงินเป็นยังไงก็เป็นเรื่องต้องทาใจทําความเข้าใจกันยากหน่อยปะกันยากตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเคอยังนึกถึงอย่างพวกโยบางคนเคยคุยกันก็ามาคุยถึงเรื่องวัดรตถ ร, รมกายโยเรนะฮะโยเรวัดระธรรมกายในส ะ, สะอาสอานเรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่น่าศัยไม่เหมือนกับวัดทั่วไปโยเรยก็เหมือนการสะอาดเรียบร้อยรองเท้าวางเป็นแถวเรียบร้อยสวยงามตัวถามว่าใครเป็นคนทำํำก็คนที่เข้าไปใช้สอยนั่นแหละเป็นคนทําเมื่อคนมากคนมากช่วยกันทํามันก็สะอาดแต่วัดทั่วไปในยังไงมันทําได้ยาก เป็นวัดแต่วัดที่ไม่ค่อยมีคนไปมาแล้วก็พื้นที่ไม่กว้างเกินไปจํานวนพระมีมากพอสมควรเนี่ยดูแลกันทั่วถึงแล้วทำความสะอาดกันได้แต่ถ้าหากว่าคนเข้าไปใช้สอยมากเนี่ยแล้วก็คนก็ไม่ช่วยเลยก็ให้พระเนรทาอย่างเดียวเนี่ยมันสู้ไม่ไหวแล้วเพราะพระเนรเนี่ยเป็นบุคคลที่ถ้าเรามองนะ เรามองก็ด้วยความเป็นจริงแล้วก็เป็นเด็กนะฮะเป็นเด็กที่ออกามาแล้วก็ช่วยตัวเองตลอดะซึ่งไม่เหมือนกับเด็กที่เด็กข้างนอกเน้นน้อยๆเน้ น, น, น, นต้องจับบาตรเข้าไปหาอาหารเองรับผิดชอบในความเป็นอยู่หลับนอนของตัวเองซักผ้าซักผอนเองอะไรตัวอะไ ร, ไรหมดทูพื้นกวาดขยะนี่ทําเองหมดเลยนะซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กข้างนอกในโอกาสจะทําหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยมีน้อย แล้วต้องเรียนหนังสือต้องมีกิ จ, จวัตรต้องทำวัดไหว้พระถวนทูลข้าวเย็นมีกิจกรรมต่างๆอีกเป็นอะไรมากาเด็กเล็กๆเนี่ยคือถ้าเราดูแล้วนี่เกินวัยนะเป็นการบัตรที่เกินวัยนั่นก็คือการฝึกปรือตามบทบัญญัติของศีล แต่ในขณะเดียวกันการขลังข้อเนีนมันก็เป็นวิ ย, ยาวิจัยใหม่ก็ช่วยเหลือคนไายในกิจการที่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเออเนียนก็ทําได้อย่าโยมทั่วไปก็ทําได้ช่วยเหลือคนไขยกันในกิจการงานที่ชอบที่เหมาะที่ควรทีรนี้มาถึงศีลศีลก็อย่างที่บอกนะฮะโดยเนื้อหาสาระเนี่ย เจตนางดเว้นเนี่ยชื่อวศีนการไม่รุกละเมิดนี่ชื่อวศีนการสังรวมระวังนี่ชื่อวศีนปกติกายปกติวาจานี่ก็ชื่อวศีนการรักสังรวมระวังรักษากายวาจารียบร้อยไม่มีการประพฤติกระทำที่เป็นโทษต่อตนเองตัวบุคคลอื่นก็ชื่อวศีลและอีประการหนึ่งเนี่ยเือเอาจากง่ายๆนะฮะ สภารสันโดษคือผู้ชายในยินดีในพัญญาของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นนอกจากพัญญาของตัวเองเจอในแง่ของความเป็นจริงมีคนมาถามบ่อยนะว่าเขากำหนดหรือเปล่าพระพุทธเจ้ า, า, ากำหนดหรือเปล่าว่าผู้ชายต้องมีเมียกี่คนบอกไม่มีพระเจ้าไม่ไปล่วงลูกลึกขนาดนั้นแต่ปัญหาสําคัญว่าผู้ชายเขาจะมีเมียกี่คนก็เมียของเขานะแล้วก็ลูกกของเขา ประเวณีจึงแปลว่าเชื้อสายคือผู้สืบเชื้อสายของเขาวันก่อนนะดูอะไรอนะนายแต่ก่อนนะรู้สึกว่าลูกเขาที่มาเล่นเกมเนี่ยสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนโอ้มันมันสกกัน่าแกนแก่ภาคภูมินะฮะแนะนําตัวชื่อนั้นนามสกุลอย่างนั้นลูกแม่คนที่เท่านั้นนะนี่ลูกแม่คนที่ทัำคนละแม่กันฮะคนละแม่กันพอดเดียปรากวดว่าต้องเท่าไหร่นะตั้งยี่สบสามสิบอะไรเนี่ยสามจุดกว่าแล้วปะ แต่เขาภาคภูมิลูกนี่เขาภาคภูมิที่ได้ที่มีพ่อแล้วก็มีแม่หลายคนแล้วก็พ่อเดียวกันเนี่ยเพราะมั น, เ ป, นเป็นเรื่องความเชื่อถือของยุคสมัยก็แล้วแต่ว่ายุคสมัยก็จะเป็นยังไงมั่ก่อนมีคนโยมคนหนึ่งมาเรียกเขาว่าพี่ไปคุยบอกจาคุณพี่มีพี่น้องทั้งหมดในสามสิบสองคนนะ ถาว่าเลยมีแม่กี่คนนะเจ็ดาพูดด้วยความภาคภูมินะตอนนั้นนะเจ้าพี่เวลาคนอื่นนะ ท, ทีคนอื่นนะว่าเขากะทีพ่อของพี่ก็เห็นก็เหมือนกันนะไอ้นี่คือคือคือคือหลักการตรงนี้แต่ว่าศาสนาจะไม่ไปอธิบายในในรายละเอียดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสามีก็ให้ยินดีในพัญญาของตัวเองแต่ไม่บอกว่ า, วากี่คนนะครับในพัญญานั้นให้ เขาเรียกว่าปฏิวัติคือพักดีในสามีตัวคนเดียวนะทั้งนี้ก็ดูแล้วคล้ายๆจะอะไรละ่ะกฎคีทางเพศเอาลัทธิเปรียบในสังคม น, นะคือว่าเาจ้านายกอแต่งงานกับนางขอนางขอไปมีชู้กับนายกอเนี่ยลูกมันกลายเป็นทําลายเชื้อสายของนายกอนะฮะลกในครั้นเลยการทําลายประเวณีทําลายเชื้อสายเนี่ยเป็นเนื้อหาหลักในศีลข้อนี้เพราะว่ามันเป็นการสืบสายสกุลของมนุษย์ ในแง่ของศีลธรรมจรรยาหรือในแง่ของสังคมวันพระวันจันทร์เหล่าเนี้ยจะยกมาตัวอย่างสามสีข่ขอเนี่ยจะเห็นว่าก็เป็นวิถีชีวิตนะเป็นวิถีสังคมที่คนทุกคนก็สามารถประพฤปฏิบัติขัดเกลารูปกรรมของตัวเองให้สงบประณีตรงไปได้ระดับหนึ่งต้องฝั่งท่าไหร่แต่ลงมาปฏิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรม